ถอนอบน้อมพระัตนตัยขอากาศประชาจารยส์สมศรินแล้วก็เพื่อนทำทุกท่านจะได้ในทาเมตชีแล้วก็ญาติธรรมเราก็ใน้ตรวจมูลทมวัด ร, ร่วมกันเนาะแล้วก็ฟังธรรมสิ่งต่างๆนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราก็ทำกันมาเนินนาน เป็นวัดปฏิบัติที่พวกเราได้ปฏิบัติกันมาซึ่งการทำเช่นนี้นาะมันเป็นการทำให้เราได้เข้าใกล้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นการสวรดมนต์ทำวัดนะไม่ใช่เพียงแค่เป็นกิจวัตรที่ที่ควรจะทำนะแต่เวลาเราทำแล้วจิตใจเราน้อมคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ตามสิ่งที่สวดไหมอันนี้เราก็ต้องมีสติคอยรู้ทันอารมณ์แล้วก็จิตใจขณะที่สวดมนต์ไปด้วยเนาะบางทีเราสวดมนต์คล่องยิงยิงเราอยู่วัดนานเท่าไหร่นะสวดมนต์ได้ชํานาญโดยไม่ต้องดูหนังสือมากเท่าไหร่บางทีความคิดนะหรือว่าความหลงมันก็สามารถมีโอกาสแทรกเข้ามาในขณะที่สวดมนต์ได้เยอะเท่านั้นเพราะบางที พอเราทําข้องแล้วนะบางทีมันก็สามารถคิดไปได้พร้อมเลยเนะี่ยอันนี้เราก็ต้องคอยมีสติไม่ใช่แค่นะสวสดไปจนทั้งจบบทแต่ตบทนะค่อยระลึกได้ว่าเออจบแล้วนะจะขึ้นบทใหม่ถึงจะอนะสวสดบทไหนต่ออันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ที่เราต้องระวังก็มันะบางทีมันจะคล้ายๆเหมือนเรา ทำอะไรใหม่ๆนกะบางทีเราจะมีสติหรือเราจะมีความระมัดระ ว, วังมีความตั้งใจนะมากกว่าแต่พอเราทําอะไรที่มันคุ้นชินคุ้นเคยมากๆบางทีความตั้งใจมันน้อยลงไปการขาดสติมันก็ง่ายขึ้นนะแล้วก็การหลงไปคิดกันจมกับอารมณ์ขณะที่ทําไปด้วยมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบจนเราคิดว่ามันเป็นปกตินิสัย ่เช่นเราทานอาหารนะเราทานอาหารแต่ก่อนล้วก็ทานไปคุยไปคิดไปนะดูหนังฟังเพลงไปพร้อมก็ยังได้มันก็เลยกลายเป็นการทำหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะท้งกายก็ทำไปจิตใจก็ไปเสพอารมณ์ทางตาบ้างทางหูบ้างนะหรือว่าที่เสพมากๆ ก, ก็คือทางจิตใจนี่แหละนะใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่ โดยปกติธรรมดาเนาะนะส่วนใหญ่การที่เราจะหลงไปได้ง่ายก็คือหลงไปกับสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจํำวันนี่แหละนะถ้าเป็นคารวาสก็อาจจะไปหลงกับเรื่องการงานแล้วก็เรื่องทางโลกภายนอกอันนี้ก็จะหลงกันแทบทั้งวันเพราะว่ามันทํำจนชินละนะแม้แต่เรื่องการขับรถบาง์ีก็ไม่ต้องใช้ความตั้งใจมาก มันเป็นอัตโนมัติมันเป็นความเคยชินละนะมันก็สามารถขับไปคุยไปคิดไปได้แบบหลงไปเลยก็มีนะสำหรับบางคนแต่บางคนก็ไม่ได้หลงไปทั้งหมดหรอกเนาะอันนี้ก็ที่ผููดที่นี้ก็คืออยากจะอ่เรียกว่าเป็นข้อสังเกตข้อเสนอแนนะเนาะเราทําอะไรที่มันคุ้นชินบ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางโลค ก, ก็ดีหรือแม้แต่บาง สิงบางสิ่งที่เราบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องการสวดมนต์ทำวัดก็ดีนี่หรือแม้แต่เรื่องการปฏิบัติธรรมในรูปแบบก็ดีนะเมื่อใหม่เรายกมือสร้างจังหวะเราเดินจังกรมส่วนใหญ่จะตั้งใจมากจนกลายเป็นความเกร็งก็มีเป็นการเพ่งจ้องบ้างก็มีแต่พอทําไปชิ้นๆนะครับนี้มือก็ทําไปขาก็เดินไปใจก็คิดไปนสารพั์มากมายนะ ไม่รู้กี่เรื่องไม่รู้กี่เวกี่นาทีกว่าจะรู้ตัวทีหนึ่งก็อา้าวก็เนิ่นานานไปแล้วอันนี้คือความเคยชินเราทําอะไรก็ตามถ้ามันกลายเป็นความเคยชินนะ่ะสิ่งที่ต้องระวังว่ามันชินในสิ่งที่ทําแล้วใจมันหลงไปคิดหลงไปเพลินกับอารมณ์ในขณะที่ทําไปด้วยไหมนะคืออันนี้คือเราก็ต้องรู้ทันตรงนี้นะแต่ก็ไม่ใช่ว่า เราจะไปคอยคอยห้ามเขาหรือว่าเราจะไปตั้งใจที่จะดูดูสิ่งที่ทำให้มันแบบชัดเจนจนเกินไปนะหรือว่าไปจดจอ่อจดจ้อบเกี่ยวกับสิ่งที่ทำจนเกินไปกลัวที่มันจะหลงกลัวที่มันจะคิดกลัวที่มันจะไม่ดีนะนีอันนี้ก็เป็นความเรียกว่าสุดต่งในแบบหนึ่งนะนะ ถ้าบางทีอย่างการการเพ่งการจ้องนะการจดจ่อเนี่ยมันก็สามารถจดจ่อในสิ่งที่ทําที่เป็นเรื่องรูปธรรมก็ได้นะเราทําจดจอ่อจะจ้องอยู่กับมืออยู่กับเท้าอยู่กับลมหรือไม่แต่จะจ้องอยู่กับ ก, บการสวดมนต์หรือบางที่เขาใช้การบริกรรมก็ส่งจิตไปเกาะหรือว่าไปเหนียวอยู่กับการบริกรรมตลอดอันนี้ ก็เป็นการจ้องสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป็นรูปธปรรมก็ได้นะเป็นรูปธรรมก็ได้แต่บางทีบางคนก็กลัวที่มันจะคิดกลัวที่มันจะไม่ดีนะกลัวที่มันจะหลงคอยไปจ้องดูที่นะดูที่ความคิดก็มีไปคอยจ้องดูที่จิตใจก็มีอยากจะรู้ทันอารมณ์อยากจะรู้ทันความคิดเร็ว ก็เผลอไปจ้องนะตอนนั้นก็มีนะถ้าเปรียบเหมือนที่หลวงพ่อเทียนท่านเปรียบเหมือนกับหนูกับแมวนะะบางทีเราก็เอาแมวเนี่ยไปคอยดักจ้องที่ดูของหนูนะดูว่าเมื่อไใดมันจะคิดดูว่าเมื่อใดมันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นนะก็กลายเป็นปการจ้องที่จิตหรือว่าจ้องที่นามประธรรมก็มีอันนี้คือ การปฏิบัติธรรมให้พระพุทธเจ้าท่านถึงถึงตัดไว้ในเบื้องต้นในว่าเรื่องความสุดตรงทั้งสองทางการบำเพ็ญตนให้ลาบากการบำเพ็ญตนให้เสรกับความสุขนะเรียกว่าการมสุขานุโยกแล้วก็อธิกิมนานุโยกพระเจ้าท่านตัดทางตรงนี้นะทางตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าการการทําตนให้ลำบากของทางกายเท่านั้นนะ ทางกายไม่ใช่เพียงแค่อดข้าวอดน้ําหรือว่าทําตนให้ทรมานต่างๆสารพัดนะหรือว่าทางกายก็ไม่ใช่เพียงแค่การอยู่กับสมบัติภัสถานอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงนะอยู่กับความสุขความสบายทางโลกเท่านั้นนะแต่ที่จริงนะไม่ใช่เรื่องของทางจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าการไปอยู่ทางกายด้วยซ้ําไปนะ เพราะว่าจิตใจเนี่ยบางทีแม้จิตใจจะอยูนะ่กับสภาวะที่ที่เรียกว่าลำบากนะแต่บางทีจิตใจก็อาจจะติดที่ความสงบความสบายก็ได้นะอย่างถ้าเราพอจะทำสมาธินะได้เป็นเนาะบางทีกายมันลำบากเพราะว่ามันอยู่ในท่าเดิมนานๆนะ หรือว่าเราก็ต้องฝึกในการที่จะทนผ่านความทุกขเวทนาของกายแต่ใจที่มันทนทุกตรงนั้นได้พอมันถึงซึ่งความสุขความสบายบางทีจิตใจเราก็ไปจมหรือว่าไปแช่อยู่กับสมาธิเช่นนั้นอันนี้ก็เหมือนเหมือนว่าการทรมานะเหมือนการทํากายให้ลําบากนะแต่จริงจิตใจมันอาจจะมีความสงบมีความสุขมีความสบายก็ได้นะ อันนี้คือถ้าไปติดที่สมาธินะติดที่อารมณ์แต่ถ้าอ่กายก็รู้นะใจก็รู้นะไม่ได้กดไม่ได้ข่มให้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอันนี้ก็ถูกทางนะหรือที่หลวงพ่อเทียนท่านเน้นย้ำบางทีเรื่องของสมาธินี่แหละนะคนมักไปติดไปแช่อยู่กับสมาธินะที่ท่านบอกว่าเป็นความมืดสีขาวนะมันเหมือนจะสว่างแต่มันมัวมั ว, มวนะ เหมือนหมอกเหมือนควันนะเหมือนไอน้ําที่มันมันพร่ามันมัวมันไม่ชัดนะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นทางสุดตรงของใจเหมือนกันก็คือใจที่มันมันเคยเสพกับความสุขมันพอใจกับความสบายมันพอใจความสงบอันนี้เราก็ต้องรู้นะบางทีที่จริงกันจิตจะมีสมาธิเช่นนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรานั่งหลับตานะแม้แต่การ ยกมือสร้างจังหวะการเดินจังกรมนะก็เป็นเช่นนี้ได้นะอย่างไปสอนที่เมืองจีนรอบ่แล้วเนี่ยก็มีนักปฏิบัติสองสามท่านที่ที่ถามแล้วก็หรือว่าบางคนก็มาเล่าให้ฟังว่าคือบางทีเขามีความสุขกับการทำเช่นนี้มากนะมีมีโยมคนหนึ่งมาปฏิบัติสองสามปีแล้วแหละก็เห็นบ่อยนะเคยมาที่เมืองไทยด้วยนะเขาบอก ทุกๆวันเนี่ยเขาจะปฏิบัติยกมือสร้างจังหวะบางทีก็เดินจงกรมบ้างนะทุกวันน ะ, ะตอนบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นนะก็ไม่รู้เขาทำงานอะไรนะแต่ก็เขาก็มีเวลาที่จะทำในรูปแบบแบบนี้นะทุกวันนะแล้วเขาก็ทำมาสองสมปีละของทเออคงปีสองปีละแหละนะตอนหลังๆนะก็จริงจังมากขึ้นก็ทำทุกวัน เขาบอกว่าตอนที่ทำยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงนะังกรมเนี่ยประมาณสามชั่วโมงเนะี่ยจิตใจมีความสุขมากมีความสบายมากมเบานะแต่พอใกล้จะถึงห้าโมงเย็นเนะี่ยจิตใจเริ่มเครียดนะ่ะไม่อยากไม่อยากที่จะไปทำอาหารให้กับสามีไม่อยากไปทำอาหารให้กับลูกนะรู้สึกว่ามันวุ่นวายนะ พอถ้าเราออกจากการยกมือออกจากการเดินจงกรมไปสู่โลกชีวิตจริงที่เราต้องเกี่ยวข้องเนี่ยมันวุ่นวายไม่อยากไปเจอเลยนั้นเวลาที่เขาจะสุขมากในะแต่ละวันก็สามชั่วโมงที่ได้ปฏิบัติในรูปแบบแต่พอออกไปเจอชีวิตจริงนี่ทุกมากนะทุกมากนะพอมันเลยกลายเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อหนีทุกนะอย่างน้อยวันหนึ่งก็ได้พักหรือว่าได้หนีจากความทุกสามชั่วโมงนะแต่อีก 21ิบเ็ดชั่วโมงอ่ะอก็ไม่ชอบไม่พอใจนะวุ่นวายนะสังคมวุ่นวายครอบครัวไม่มีความสุขนะจิตใจก็เกิดความเร่าร้อนอันนี้แล้วก็มีคนหนึ่งเขาบอกไปเข้าคอสกับนะอีกคอสหนึ่งนะภาวนาปฏิบัติแบบพวกเราเนี่ยแต่ะนะสามเดือนสามเดือนแต่ไม่ได้มีครูบาอาจารย์อยู่เป็นประจำก็ดู ดูเทปบ้างแล้วก็มีมีมีคนที่พอปฏิบัติมาก่อนเขาก็แนะนำบ้างนะเขาบอกว่าสามเดือนที่ได้ภาวนาเนี่ยสงบมากดีมากนะเหมือนจะพ้นจากความทุกข์แล้วนะแต่พอหมดคอร์สกลับไปที่บ้านเขบอกมีเจอปัญหาสารพัดร้อยแปดนะกลับไปนี่โกรธมากกว่าเก่านะ กลับไปนี่ก็พอเจอปัญหานี่ก็ทุกข์หนักนะแล้วก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะอะไรการปฏิบัติไม่ใช่ว่าไม่ดีน ะ, นะไม่ดีแต่บางทีพอไปติดความสงบไปติดความสบายไปติดแค่ความสุขมันก็เลยทำให้การปฏิบัติเป็นการเหมือนแค่หนีอารมณ์แค่พักอารมณ์นะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินปัญญาต่อ ในการที่จะอยู่กับความเป็นจริงของโลกได้หรือในการที่จะออกไปใช้ในชีวิตประจําวันจริงให้มันได้ด้วยนั้นก็เลยชีวิตก็เลยกลายเป็นแบ่งช่วงนี้ปฏิบัติก็เลยนะเรียกว่ามีความสบายมีความสุขนะได้พักผ่อนนะแต่พอจะออกไปใช้ชีวิตจริงกลับไม่สามารถนําไปใช้จริงไดนะ้อันนี้ก็ต้อง คน เ, เราก็ต้องดูดีๆบางทีมันก็เป็นดุ่มพางของการภาวานารูปแบบหนึง่งนะแต่นี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะไปติดเช่นนั้นเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะส่วนน้อยนะจริงๆนะแต่ส่วนใหญ่คนเราก็บางทีก็คนที่จะขยันเช่นนั้นก็ยังมีไม่มากนะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ยังขยันภาวานาบ้างขี้เกียจบ้างนะก็ ยังไม่สามารถสัมผัสกับความสุขความสบายได้แบบลึกซึ้งมากนะนะแต่ก็อาจจะมีบ้างบางคนนะอันนี้ก็ต้องก็ต้องดูที่ตัวของเราเองนะว่าเราติดความสุขความสงบไหมติดความสบายไหมนะพอเจอชีวิตจริงเจอผู้คนจริงเราสามารถอยู่ได้ไหมนะเกี่ยวข้องกับผู้คนยังไม่ทุกเกี่ยวข้องกับผู้คนยังมีสติเกี่ยวข้องกับการงานนะยังไม่ทุก เกี่ยวข้องกับการงานอย่างมีสตินะอันนี้เราก็ต้องดูว่าเราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ต, ตอนนี้ได้ไหมเราสามารถปฏิบัติทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องดูนะเราก็ต้องดูเพราะจริงถ้าเราปฏิบัตินะได้ถูกทางนะปฏิบัติได้ไเรียกว่าเข้าใจหลักในการปฏิบัตินะไม่ว่าจะปฏิบัติมากหรือน้อยก็ดีเนาะ มันก็จะทำให้การมีสติเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะค่อยๆพัฒนาไปทั้งในการมีสติในการปฏิบัติในรูปแบบนะแต่ก่อนที่เคยหลงไปคิดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นการเดินจงกรมการยกมือสร้างจังหวะหรือไม่แต่การสวดมวนต์ทำวัดหรือว่าการทากิจวัตรต่างๆแต่ก่อนมันมีความหลงไปคิดนานแต่พอเรามีสติรู้ทัน ไม่ไว่าเป็นการรู้ทันว่าจิตมันเผลอไปคิดก็ดีหรือรู้ทันว่ากระดังทำอะไรก็ดีนะเดินหรือยืนนั่งนอนก็ดีเนะี่ยสติมันเกิดขึ้นถ้าสติมันเกิดขึ้นได้บ่อยนะเกิดขึ้นได้ทีเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือเรียกว่าเรามีความก้าวหน้าของการภาวนาละนะค่อยๆพัฒนาไปนะแต่สติบางทีก็เอาแนงไม่ได้นะ วันนี้รู้สึกตัวได้ถีมากรู้สึกตัวได้ดีมากนอนหลับตื่นเช้าขึ้นมาอาจจะเป็นหนังคนมโวนก็ได้นะปฏิปัญหาเป็นไหนก็ไม่รู้หรือทำไมมันเกิดมาไม่ถีมันเก่าละนะอันนี้เราก็ต้องรู้ทันนะบางทีเราจะไปคิดว่าปฏิมันเป็นสิ่งที่บังคับบัญชาได้นะบางทีมันมานะเราก็อ่าไปหลงดีใจไปกับมันนะ บางทีภาวนาไปนี่เหมือนมรคนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาปฏิเกิดขึ้นทีนานมากโอ้รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งกายความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันได้เร็วมากนะแต่บางทีอีกวันหนึ่งมา้ายไปไหนก็ไม่รู้บางทีเราก็จะเผลอไปพยายามอยากจะให้ได้เหมือนเก่าอีกละวนะอยากจะให้ได้แบบนั้นอยากจะให้มีสติแบบนั้นอยู่เสมอ ทำยังไงน้อพยายามพลิกกลับไปหาตําราเก่าเคยทําอย่างไรกลับไปทำเช่นนั้นอีกนะจนลืมว่าปัจจุบันเนี้ยกำลังหลงไปมีความอยากมีความพอใจนะแล้วก็ไปเสพติดกับอารมณ์เก่าจริงมอนคล้ายกับอาการของสมาธิอนะถ้าใครเคยทําแบบสมาธาิเลยทําแบบแล้วได้สมาธิเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆเนี้ยพอมันได้ รับความสุขได้รับผลจากสมาธิในระดับหนึ่งนะวันนุ่งขึ้นหรือว่าการนั่งข้างต่อไปมันก็จะตั้งเป้าว่าอยากจะได้แบบนั้นอีกอยากจะได้แบบนั้นอีกอยากจะสบายแบบนั้นอีกถ้าทําแล้วสบายก็รู้สึกว่าดีเก่งนะชอบถ้าทาแล้วไม่ได้สบายแบบนั้นอีกก็รู้สึกว่าวันนี้ไม่ดีวันนี้ไม่เก่งวันนี้ไม่ชอบละนะการเจรสติก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะ แม้เราไม่ได้ไปติดที่ความสุขเออไปติดที่ความสงบแต่บางทีเราก็ต้องรู้ทันว่าเราไปติดที่ความชอบในการที่มันมีสติได้บ่อยหรือรู้ตัวได้ดีไหมนะบางทีเราบังคับมันไม่ได้นะแต่ที่จริงเราสามารถบางใจในการยอมรับความจริงได้นะแม้บางคราวมันจะเผลอไปบ่อยหลงไปบ่อยแต่จริง เรารู้ทันว่ามันเผลอไปบ่อยลงไปบ่อยอันนั่นก็คือการมีสติแล้วนะการมีสติไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะรู้อิริยาบถ ท, ที่ยืนเดินนั่งนอนกู้หยีดเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะไม่ใช่ว่ามันจะรู้แต่กายแล้วมันจะไม่มีความคิดนะนะบางครั้งมันก็เป็นเช่นนั้นแต่บางครั้งบางทีมันก็รู้กายแล้วก็เห็นจิตใจมันคิดนึกปรุงแต่งมากมายก็เป็นการมีสติมีความรู้สึกตัว เช่นเดียวกันนะไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะเนี่ยเราก็ต้องพยายามวางใจนี้ว่าเราหลงไปติดในอารมณ์ของสมาธิหรเปล่าเราหลงไปติดในอารมณ์ของความสุขหรือของปิติหรือไม่เ น, นี่ยเราก็ต้องดูรู้ทันอันนี้สําหรับนะบางคนที่อาจจะเจออารมณ์เช่นนี้ก็ฝากไว้นะหรือแต่สิ่งที่สําคัญนะี่แหละ การที่เราลงไปในแต่ละวันเนี่ยพยายามกลับมามีสติให้มันได้เร็วเนาะนะจะยืนเดินนั่งนอนขู่เหยียดเคลื่อนไหวเนี่ยเรามีสติได้เร็วเนี่ยเราจะทําให้ค่อยๆพัฒนาไปนะจากสติที่เกิดขึ้นนะในการทําในรูปแบบนี่แหละนะต่อไปเวลาทํานอกรูปแบบเราก็เราก็สามารถมีสติได้มีสติได้บ่อยขึ้นแต่สิ่งที่ที่ต้อง ระวังหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องกระทำให้มันชัดเจนขึ้นเนาะคือการเรียกว่าการสารวมอายตนะมันก็จะมีส่วนช่วยให้เรามีสติได้ง่ายนะนะบางทีนะเวลาเราไปทาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกับงานการหรือเกี่ยวข้องกับผู้คนถ้าเราไม่มีการสารวมระวังนะมันจะทำให้เราขาดสติไปได้ง่ายนะบางทีเราภาวนาดีๆนะ อยู่ในวัดก็ดีอยู่ในคลอดก็ดีนะมันก็พอจะมีสติบ้างลงไปบ้างแต่พอออกไปทั้งโลกบางทีแค่ลงไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนลงไปกินข้าวกับเพื่อนแล้วก็คุยกันมากมายเนี่ยมันแทบจะหายเลยนะไอ้ที่ภาวนามาทั้งวันเนียเพราะอะไรพอพูดมากมันก็คิดมากนะไม่ใช่แค่คิดที่จะพูดเท่านั้นนะบางทีการฟัง คนอื่นที่ขาดสติมากๆก็ทําให้เราขาดสติตามไปด้วยนะเพราะว่าบางทีไปคุยกับเรื่องทางโลกเนี่ยโอไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นหรือเป็นคารวะก็ดีถ้าคุยกันเรื่องทางโลกมากๆเนี่ยมันเรียกว่ามันไหลไปหากิเลสกันทั้งนั้นนะมันหรือว่าความคิดมันก็ฟรุงแต่งต่อไปตามกิเลสที่มันมีอยู่นี่แหละนะอันนี้คือเราก็ต้องสารวมระวังเรื่องวาจานะเนีเรื่องวาจาก็เป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ต้อง สํารวมระวังเพราะบางทีสติที่เราฝึกทั้งใจฝึกอยู่มากๆแต่พอออกไปเจอกับผู้คนออกไปเจอกับการงานบางทีเราก็ขาดสตนะิไปได้ง่ายๆนะเราก็ต้องระวังไม่ใช่ว่าไม่พูดคุยนะแต่พูดคุยเท่าที่จําเป็นเกี่ยวข้องในสิ่งที่ที่จําเป็นนะนะนนี้คือการสํารวมระวังไม่ใช่การปิดนะไม่ใช่การปิดปิดปากสนิทนะ ปิดหูปิดตานะปิดลิ้นปิดความคิดอะไรไม่ไม่ใช่การปิดนะแต่เป็นการคล้ายๆรู้จักเปิดรู้จักปิดอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะอ่า ส, สิ่งที่สาคัญบางคนคิดว่าการสำรวมคือการที่ไม่ไม่ต้องดูไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ไม่ใช่นะเราทำในเสียงส่วนที่เรียกว่ามันจำเป็นต้องเกี่ยวข้องแต่ส่วนที่ไม่จำเป็น ที่ต้องเกจอวข้องเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่าอลดลงไปหรือว่าตัดตรงไปเลยยิ่งดีนะตัดตรงไปเลยก็ยิ่งดีอันนี้คือจะทําทให้การภาวนาของเราทั้งในรูปแบบก็ดีแล้วก็นอกรูปแบบก็ดีมันจะเรียกว่ามันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะต่อเนื่องจนจนมันสามารถรู้สึกได้ว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกนะอาจมีความต่างบ้างในความชัดเจนนะหรือว่าในความต่อเนื่องนะแต่ มันก็สามารถเรียกว่าผสมเป็นเป็นเนื้อเดียวกันได้ เ, เหมือนงานก่อสร้างอะแต่ก่อนนะมันเราจะผสมปูนนะปูนในถุงก็ส่วนหนึ่งนะทรายก็ส่วนหนึ่งนะก้อนหินก็ส่วนหนึ่งน้ำก็ส่วนหนึ่งนะเอาสี่ส่วนนี้มารวมกันเอามาคนกันหรือม า, มาโม่กันนะแต่พอ เอาไปเทที่พื้นเอามารอที่เสาแล้วมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะมันไม่สามารถจะแยกออกจากกันได้ถ้าเราไม่ไ ป, ปิดทุบไม่ไปทาลายมันใช่ไมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะนะสติที่เราพยายามฝึกจากการํำรวมอายตนะก็ดีหรือการที่มีความตั้งใจที่จะรู้ฝึกกับการเคลื่อนไหวก็ดีนะหรือการวางใจอย่างผ่อนคลายอย่างสบายก็ดี หรือการปวางอารมณ์นาการรู้ทันความจริงเกิดปัญญาก็ดีนะธรรมะทั้งหลายเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนแยกกันทีละส่วนทีละส่วนทีละตัวทีละตัวแต่พอเราฝึกไปมากๆฝึกไปบ่อยๆมันสามารถรวมกันได้เป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนกับที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้อะนะธรรมะแต่ละข้อเหมือนกับเหมือนกับวัตถุ ด, ดิบแต่ละอย่างพอเรามารวมกัน มาปนกันละนะมันก็กลายเป็นสิ่งเดียวกันนะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเนื่องด้วยกันบางทีมันอาจจะแยกกันอยู่แต่มันก็เนื่องด้วยกันนะมันเนื่องด้วยกันมันกลายเป็นเนื้อเดียวกันคล้ายๆเหมือนกับเราทําอาหารนะผักก็ดีเนื้อก็ดีน้ํามันน้ําตาลน้ําปลาก็ดีนะมันก็แต่ก่อนมันก็อยู่คนละส่วนกันพอมารวมกันในหม้อรวมกันในกระทะ กลายเป็นอาหารในจานในภาชนะแล้วมันก็อาจจะแยกกันโดยภายนอกแต่ที่จริงมันมีส่วนที่ซึมเข้าหากันแล้วนะเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะธรรมะที่เราฝึกหัดเนี่ยก็เป็นสิ่งเช่นนั้นเนาะธรรมะอย่าได้เอ่ออยาอย่าได้เรียกว่าดูถูกธรรมะข้ออื่นๆนะื่ะที่พระเจ้าทั้งสอนไว้นะการที่เราเจรเินสติเจะเดินปัญญามันก็ เป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้วแต่เราจะลืมความมีเมตตามีความกรุณาต่อผู้คนด้วยอย่าลืมในการเตะทนะนในการทำการทำงานในการทำสิ่งส่วนรวมด้วยนะอย่าลืมว่าเราอยู่ร่วมกับผู้คนไม่ใช่อยู่คนเดียวแบบนี้ยเราก็ต้องมีความมีความรักความปรารถนาดีกับคนอื่นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องต้องเกี่ยวข้องนะะหลายอย่างเนาะ พระพุทธเจ้าท่านท่านได้สอนธรรมะกับพวกเรามากมายนะเราอย่าไปจับแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็ไปยึดแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่จริงทุกส่วนเนี่ยมันสามารถมาประยุกต์ใช้แล้วก็ทําให้เกิดนะกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้นะก็ต้องศึกษาไปเรื่อยนะดังนั้นการที่เราทํากิจกรรมใดก็ดีนะก็ทิ่งที่สําคัญนั่นแหละก็คือ ฝึกให้มีสติเพื่อเกิดปัญญานะแต่เราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆนั้นอย่างรู้เท่าทันนะไม่ใช่ไปติดแค่ความสงบความสบายหรือความสุขหรือไม่ใช่ไปเผลอปล่อยใจจะทั้งฟุ้งซ่านไปแม้นในการทําสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการฝึกนะเช่นการเดินจงกรมการยกมือการสวดมนมต์ทำวัดหรือการเดินบิดาบาศ แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่ทําไมไ่รู้เนื้อรู้ตัวในสิ่งที่ทําก็ไม่ใช่ไปการภาวนาละนะภาวนาเพียงแค่ภายนอกแต่ภายในไม่ได้ภาวนาเพราะการภาวนาคืออะไรคือการทําให้มากเจริญให้มากพัฒนาก็ได้ภาวนาจะไปว่าพัฒนาก็ได้นะพัฒนาอะไรพัฒนาที่จิตใจนะพัฒนาตรงไหนพัฒนาจากจิตที่มันทุกข์กลายเป็นจิตที่ไม่ทุกข์ พัฒนาจากจิตที่มันหลงกลายเป็นจิตที่มันไม่หลงพัฒนาจากจิตที่มันมีกิเลสมากให้กลายเป็นมีปัญญาดูทันกิเลสให้มากจนทั้งรั ก, กิเลสได้มากอันนี้ก็คือคือการพัฒนานะหรือการภาวนานะเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือหัวใจหลักนะที่เราจะาพัฒนาตนเองนะให้สามารถมีปัญญาจเนื่องพาใจพ้นออกจากความทุกข์ได้อันนี้ก็ ก็คิดว่าทุกท่านก็คงรู้กันพอสมควรอยู่แล้วเนาะก็เพียงแค่พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าสู่กันฟังเพื่อให้เป็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นหรือว่าเป็นกันยามิตรในการร่วมเดินทางออกจากความทุกข์ด้วยกันเนาะแม้บางครั้งได้อยู่ร่วมกันในวัดบ้างนะบางครั้งไม่ได้อยู่ร่วมกันบ้างนะแต่ถ้าแต่ กับผมหรือว่ตาตมาก็เชื่อว่าถ้าเรายังมีจุดหมายร่วมกันในการที่จะเป็นลูกศิษย์พระตถาคตพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในการที่จะเดินทางก็จะออกจากความทุกข์ร่วมกันนั้นทุกคนก็เหมือนกับเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแล้วก็โดวยว่าพวกเรานะก็เป็นเพื่อนที่อยากจะมีเป้าหมายเดียวกันก็คือความไม่ทุกข์นะ แต่จะพ้นจากความทุกข์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันด้นะเป็นเพื่อนกันว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือเป็นโยมก็ดีก็เหมือนเป็นเพื่อนนะที่จะเดินทางออกจากความความไม่ทุกข์เหมือนกันนั้นในความเป็นเพื่อนนะก็เลยต้องมีความปรารถนาดีไม่ใช่เป็นแค่จิตใจเนาะทางกายทางวาจาเราก็ต้องเรียกว่ากระทําตรงนั้นไปด้วยนะก็อย่าดืมนาะอย่าดืมว่า พวกเราเป็นเพื่อ น, น่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทำอย่างไรเราถึงจะออกจากความทุกทำอย่างไรเราถึงจะเพื่อนช่วยให้ออกจากความทุกข์ด้วยอันนี้ต้องต้องระลึกนะต้องนึกถึงในการภาวนาด้วยนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาเนาะก็ขอให้ทุกท่านได้เจริญในศีลสมาธิปัญญาจนทั่งผ่าจิตผ่าใจพ้นจากความทุก์ในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถอด